สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันจันทร์นี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่เราจะอยู่ในคําอธิษฐานของพระเยซูเป็นชีวิตของพระเยซูตอนที่สี่ร้อยเจ็ดสิบแปดเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่เจ็ดพระเจนะพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเจ็ดข้อที่หกจนถึงข้อที่สิบครับโปรดฟังโรจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่สิบเจดข้อที่หกถึงข้อที่สิบ ข้าพระองค์ได้สำแดงพระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์จากมวลมนุษย์โลกคนเหล่านั Jesus, them, ้นเป็นของพระองค์แล้วและพระองค์ได้ประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์และเขาได้ปฏิบัติตามพระดํารัสของพระองค์แล้วบัดนี้เขาทั้งหลายรู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์เพราะว่าพระดํำรัสที่พระองค์ตรัสประทานให้แก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์ได้ให้เขาแล้วและเขาได้รับไว้ และเขารู้แน่ว่าข้าพระองค์มาจากพระองค์เพราะเขาเชื่อแล้วว่าพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพระองค์มาข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อเขาข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อโลกแต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ทุกสิ่งซึ่งเป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์และทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และข้าพระองค์มีเกียรติในสิ่งเหล่านั้นพี่น้องครับ อย่าลืมว่าในพระธรรมยอนบทที่สิบเจ็ดนั้นเป็นพระธรรมที่เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็น the high priest pray the high priest pray แปลว่าเป็นคำอธิษฐานของมหาปุโรหิตครับเพราะว่าพระองค์ได้อธิษฐานทูลกับพระเจ้าถึงตัวของพระองค์เองและเวลานี้เราเข้าสู่ตอนที่สองนะครับ พระองค์กำลังอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ในข้อที่หกนั้นได้กล่าวว่าถ้าพระองค์ได้สำแดงพระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายที่เป็นของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์เราจะพบว่าพระเยซูกําลังอธิษฐานเพื่อคนที่พระเจ้าพระบิดาประทานให้แก่พระองค์และคนเหล่านี้ครับในข้อที่เก้า พระเยซูกําลังอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้และพระเยซูเน้นว่าข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อโลกหมายความว่าพระเยซูไม่ได้อธิษฐานเผื่อคนทุกคนนะครับพระเยซูกําลังอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์และเพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ก็แสดงว่าพวกเราอะครับพวกสาวกของพระองค์ครับก็คือผู้ที่พระเยซูกําลังอธิษฐานเผื่อแต่ในเช้าวันนี้นะครับ เป็นตอนที่สองก็เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูที่อธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ในขณะนั้นในขณะที่พระเยซูยังทรงพระชนอยู่ยังมีชีวิตอยู่ดําเนินอยู่ในโลกนี้ปฏิบัติพระองค์ก่อนที่พระเยซูจะถูกตึงบนแมงเคนครับก่อนที่พระเยซูจะเป็นขึ้นเหนือความตายก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสวรรค์ในขณะที่พระองค์ปฏิบัติโลกปฏิบัติรับใช้พระเจ้าปฏิบัติมวลชน เปเยซูกําลังอธิษฐานเผื่อสาวกที่พระองค์ได้ทรงเรียกและเลือกไปพี่น้องครับในข้อที่หกทาให้เราหเห็นถึงคุณสมบัติของสาวกเหล่านั้นครับมีอยู่สี่ประการด้วยกันในข้อที่หกผมอ่ากข้อที่หกซ้ําให้พี่น้องได้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับข้าพระองค์ได้สำแดงพระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์จากมวลมนุษย์โลกคนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้ว และพระองค์ได้ประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์และเขาได้ปฏิบัติตามพระดํารัสของพระองค์แล้วมีคุณสมบัติอยู่สี่ประการครับคุณสมบัติประการแรกก็คือคนทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานให้นั่นคือสาวกของพระองค์นั้นเป็นคนที่พระเจ้าพระบิดาได้ให้กับพระบุตรครับให้มารู้จักพระเยซูให้มาเป็นสาวกของพระองค์นี่คือการประทานครับเป็นสิทธิพิเศษ คุณสมบัติการที่สองครับคนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แสดงว่าคนที่พระเจ้าประทานให้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่พระเจ้าเลือกเขาไว้แล้วกําหนดเขาไว้ล่วงหน้าเป็นคนที่อยู่ในน้ำวัดไทยนิรันดร์ของพระเจ้าอยู่ในแผนการของพระองค์เพราะฉะนั้นสาวกของพระองค์ทุกคนนะั้นเป็นคนที่ผ่านการคัดเลือกคัดสรรจากพระเจ้าและประทานมานะครับประทานมาให้ อยู่กับพระเยซูคนเหล่านั้นเป็นของพระเจ้าพระบิดาครับคั้นประการที่สามก็คือพระองค์ได้ประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์แสดงว่าคนเหล่านั้นนั้นเป็นของพระบิดาเป็นของพระเจ้าและคนเหล่านั้นถูกประทานให้กับใครครับให้กับพระเยซูตรงนี้เน้นว่าเราเป็นคนของพระเจ้าพระบิดาในขณะเดียวกันเราเป็นคนของพระเยซูด้วยนะครับ และค ouais ุณวัต nee ิประการที่สี่ก็คือคนเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามพระดํารัสของพระองค์แล้วนั่นหมายความว่าเขาทําอะไรครับเราจะมาดูในข้อต่อไปเขาได้ทําตามพระดํารัสของพระเยซูหมายความว่าเขาได้ทําตามพระดํารัสของพระเจ้าพระบิดานะครับในข้อที่เจ็ดครับเราจะรู้ว่าการทําตามพระดํำรัสของพระบิดาการทําตามพระดับดํำรัสของพระเยซูคืออะไรบ้าง นะครับเราจะเห็นครับประการแรกในข้อที่เจ็ดผมจะอ่านข้อที่เจ็ดให้พี่น้องฟังก่อนนะครับบัดนี้เขาทั้งหลายรู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์เนี่ยครับเขารู้ครับนะครับนี่คือสิ่งสําคัญรู้รู้อะไรครับรู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์เพราะเขาเห็นชีวิตของพระเยซูครับก็ได้สัมผัสและได้อยู่ด้วยกับพระเยซู เขาได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพระเยซูคนเหล่านั้นก็คือพวกสาวกของพระองค์ที่ติดตามพระเยซูพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าเวลาใครก็ตามที่ติดตามพระเยซูนั้นพระเยซูเรียกว่าเป็นสาวกหมายความว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นคนที่กินดืม่มนอนตามพระเยซูทุกอย่างครับและด้วยเหตุ น, นี้เองพระเยซูบอกว่าเขารู้ทุกสิ่งทุกสิ่งที่ พ่อบิดาได้ประทานกับพระเยซูเขารู้ว่ามาจากพระองค์แสดงว่าชีวิตของพระเยซูนั้นเต็มไปด้วยคําสอนชีวิตของพระเยซูนั้นเป็นตัวอย่างสามารถเป็นตัวอย่างได้ทุกตัวอย่างชีวิตของพระเยซูนั้นเปรียบเสมือนกับการสําแดงพระเจ้าพ่อบิดาในเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเยซูก็อธิฐานมาทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานแก่พระเยซูนั้นมาจากพระเจ้าและพวกเขารู้ครับ แต่ว่าของพ ร, ง ร, พระองค์รู้จักพระเจ้ารู้จักพระเยซูนะครับต่อไปครับในข้อที่แปดเพราะว่าพระดํำรัสที่พระองค์จัดประทานให้แก่ข่าพระองค์นั้นข้าพระองค์ได้ให้เขาแล้วพี่น้องเห็นไหมครับสิ่งที่พระเยซูสอนเป็นสิ่งที่อยู่ในน้ำมัทยไทยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นพระประสงค์ที่พระเจ้าอยากจะจัดอยากจะบอกให้กับมนุษย์มนุษย์ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้นั่นคือสาวกของพระเยซูเขาได้รับไว้ พี่น้องครับการรู้นะครับนําไปซึ่งการรับไว้นะครับและจากการรับไว้นั่นเองเข้าสู่อันทีสานครับก็คือแน่ใจครับแน่ใจแน่ใจหรือมั่นใจว่าพระเยซูนั้นมาจากพระเจ้าและลําดับที่สี่ก็คือเชื่อครับเชื่อว่าพระองค์หรือพระเจ้านั้นได้ทรงใช้พระเยซูมา นะครับนี่คืออีกสี่ประการที่พระเยซูกําลังบอกให้พวกเขากําลังอธิษฐานเผื่อพวกเขากําลังยืนยันว่าพวกเขานั้นมีความรู้นะครับจากความรู้ที่นั่นเองทําให้เขารับพระเยซูครับและจากการรับพระเยซูทําให้เขามั่นใจว่าพระเยซูปเป็นใครและหลังจากนั้นเขาใช้ความเชื่อต่อไปในอนาคตว่า พระเยซูเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้มาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือความเชื่อครับความเชื่อที่เกิดจากความรู้ความเชื่อที่เกิดจากการรับความเชื่อที่เกิดจากความมั่นใจและความเชื่อที่เดินไปในอนาคตเพราะเนื่องจากรู้ว่าพระเยซูคือใครนี่คือชีวิตของสาวกครับในเช้าวันนี้ผมได้สรุป คุณสมบัติสี่ประการและสิ่งที่พวกเขาได้กระทำสี่ประการด้วยกันผมอยากจะสรุปให้พี่น้องฟังอีกครั้งนะครับคุณสบัติประการแรกของคนที่เป็นสาวกก็คือเป็นคนที่พระเจ้าประทานให้คุณสมบัติประการที่สองก็คือคนเหล่านั้นเป็นของพระเจ้าคุณสมบัติประการที่สามก็คือคนเหล่านั้นเป็นคนที่พระเจ้าประทานให้แก่พระเยซูและคุณสมบัติประการที่สี่ก็คือ เขาได้ปฏิบัติตามพระดํารัสของพระเจ้าแล้วบัดนี้เกิดอะไรขึ้นครับบัดนี้ก็เกิดก็คือพวกเขารู้รู้ว่าอะไรครับรู้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่พระเยซูนั้นมาจากพระเจ้าพระเยซูเป็นตัวแทนของพระเจ้าสำหรับที่พระเยซูตรัสก็เท่ากับพระเจ้าตรัสรู้ครับอันที่สองคือรับ รับนั้นก็คือแปลว่าเขาเชื่อนะครับอันดับที่สามก็คือมั่นใจครับมั่นใจว่าพระเยซูเป็นใครและสุดท้ายครับเขามีความเชื่อเขามีความเชื่อที่นําไปถึงอนาคตจากการรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงใช้พระเยซูมาพวกเขาตกเป็นของพระองค์และในข้อที่เก้าครับเป็นคําอธิษฐานที่พระเยซูอธิษฐานเพื่อเขา ให้เขามั่นใจว่าเขาเป็นของพระองค์แน่นอนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากําลังอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์พระเยซู ก, กําลังอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์นี่คือคุณสมบัติและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของสาวกเช่นเดียวกันครับเราทั้งหลายก็เป็นสาวกแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในตอนนั้นแต่เราก็ต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวเช่นเดียวกันครับและในขณะเดียวกัน แล้วก็พิจารณาว่าสิ่งที่เรารู้นั้นเรารับไว้เราแน่ใจและเราเชื่อขอพระเจ้าอวยพรและสถิตอยู่กับพี่น้องทุกคนในเช้าวันนี้ตลอดทั้งวันเพื่อที่จะมีชีวิตถวายภระเกียรตแด่พระเจ้าอาเมน